ไม่ร้อนแสงเหรอไม่คไปพอได้เลยเร็วครับห้าสี่สามสองอาจารย์รบกวนช่วยเล่าความรู้สึกแรกหลังจากอ่า น, นหนังสือคุทธรรมเล่มแรกจบให้ฟังหน่อย คือจริงๆก็จําไม่ได้ชัดนะว่าอ่านหนังสือเล่มแรกเรื่องอะไรนะแต่ว่าที่ได้อ่านในช่วงที่เริ่มสนใจงานเขียนของพระพุทธทาสก็คือเรื่องการศึกษามาหางด้ว น, นะแล้วก็เพราะตอนนั้นกำลังสนใจเรื่องการศึกษาช่วงนั้นประมาณปี15 16เนี่ยมันมีแนวคิดใหม่คือเรื่องการศึกษาที่ท้าทายระบบการศึกษาในปัจจุบัน ฝั่งหลังก็หลายคนก็ตั้งคำถามกับระบบการศึกษาที่เป็นอยู่แอาจารย์พุทธาก็เป็นท่านหนึ่งที่ท่านพูดเการศึกษาไว้เยอะนะเช่นเรื่องการศึกษามาหาด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าท่านให้ข้อคิดที่เราไม่เคยรู้นะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการศึกษาเท่านั้นแต่เรื่องของแนวที่ทางพุทธศาสนาเช่นถ้าที่จําได้คือว่าการศึกษาคือทําให้คนเราเนี่ยมัน พ้นจากสังชเตยานอย่างสัตว์นะอันนี้ก็ก็คือการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจมันไม่ใช่การศึกษาพเพื่อทำมหากินไม่ใช่เพื่อไตเต้าในทางสังคมนะมันเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในอันนี้ก็เป็นก็เป็นก็เป็นทัศนะแรกๆนะของจ่านจารุท่าที่ได้รับรู้คนะือหลังจากนั้นก็ติดตามผลงานแล้วก็อ่านหนังสือของท่านาท่าเรืย ก็อ่านเลือ่อก็ตอหลังก็เริ่มมาจับเล่มใหญ่นะคือชุดธรรมโคดแต่ก่อนตอนที่อาตมาอ่านเนี่ยก็เป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะไม่ถึงร้อยหน้านะบุรีที่เผยแพร่ชีประเสริฐเนี่ยปชปนิ่นแยกเล่มออกมาก็ตอหลังก็ไปอ่านพุทธประวัติจากพระโอษนะเพราะว่าได้รับคำชมว่าเป็นหนังสือแปลที่ดีนะสมัยนั้นเนี่ยหนังสือธรรมโคดของเจ้าพุทธาตุก็ถือว่าราคาแพงสําหรับ นักเรียนสมัยนั้นนะอาตมาก็ยังเป็นนักเรียนอยู่มัธยมนะแต่ส่วนใหญ่ก็อ่านจากห้องสมุดนั่นแหละนะเล่มเล็กๆแล้วก็ค่อยค่อ ย, ค, อยอค่อยมาสนใจเรื่องเรื่องความคิดที่ลึกซึ้งทางพัตศาสนาเรื่องปรัชม ธ, ธรรมนะเรื่องนิพพานอะไรเนี้ยอันนั้นมันมาระยะหลังสมัยนั้นในในสมัยแรกๆที่เริ่ม อ, อ่านนะคะงานเขียนทางวัตถามันมีข้อธรรมหรือว่าอะไรไมที่ เป็นข้อความเป็นหลักทางอะไรที่ระพบใจแล้วการที่ได้ที่ชอบมากนะแล้วก็คือเรื่องอชุมนุม ป, ปัสกาถาชุดพุทธธรรมโดยเฉพาะเรื่องภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมตอนนั้นเริ่มมาอ่านประมาณปี18แล้วก็คือตอนที่เข้าหมาชัยปีหนึ่งแล้วก็ชอบมากโดยเฉพาะท่านสอนเรื่องความไม่ยึดติดนะจริงๆเนี่ย ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมนี่ก็เป็นก็เป็นแนวคิดที่น่าน่าสนใจตั้งในตัวมันเองอยู่แล้วนะคือท่านบอกว่าเนี่ยพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยสามารถจะเป็นภูเขาที่ขวางกั้นหนทางสู่พุทธธรรมได้หรือหนทางแห่งการตัดสรู้นะเพราะว่าถ้าไปยึดติดในพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยโดยเฉพาะไปะยึดติดพระพุทธรูปไปยึดติดคำภีร์หรือไปยึดติด พระที่หมจิวรเนี่ยอันนี้ก็เท่ากับ ว, ว่าเป็นตัวขวางกั้นการเข้าถึงพุทธธรรมหรือแม้แต่จะเข้าถึงธรรมะที่พระองค์สอนแล้วเนี่ยถ้าเราไปยึดติดนะก็เป็นปัญหารู้สึกว่าในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยท่านก็จะพูดถึงเรื่องว่ายกพุทธภาสิต ท, ที่พระเจ้าตรัสว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยเหมือนกับแพร่ที่ไว้ข้ามฝัง่งนะเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ ไม่ต้องยกแพ้ขึ้นฝั่งด้วยก็คือว่าธรรมของพระองค์เนี่ยก็ไม่ควรยึดติ ด, ดอย่าว่าแต่ดย๋ยว่านับะ น, นับภาษาอะไรกับอคุสระธรรมเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะคือเรื่องความการปล่อยวางเนี่ยนะในลักษณะในความหมายแบบเนี้นะก็เป็นเรื่องใหม่ซาตมานะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ก็รู้สึกมันลึกซึ้งมากนะและ เพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ฐานชูพุทธธรรมก็เป็นปเป็นหนังสือเล่มหนึ่อ ง, องที่ตมาชอบนะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ท่านเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะเพราะพูดขนาว่าเนี่ยพระพูทธธ ร, รมประสงค์เนี่ยสามารถจะเป็นภูเขาขวางกัน้นวิถีแห่งพุทธธรรมได้นะนะคนที่ไม่เข้าใจความหมายเนี่ยหรือคนที่ยึดติดในพระพุท ธ, ธรรมประสงค์เนี่ยอย่างที่ถ้าเจ้าพุทธทาภูมก็จะไม่พอใจ ถ้าชาพุทธเนี่ยถูกก่าวให้เป็นคอมมินสตจากปตัตกถาชุด น, นี้นะประมาณปี280กว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมีความหมายที่ลึกซึ้งมากอันนี้ก็ก็เป็นก็เป็นการเรียนรู้เริ่มแรกพอตมาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยวางเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยทีเดียวแล้วต่อมาค่ะในช่วงชีวิตต่อ ท่านพุทธทาสมีมีอิทุิพลอะไรอีกไหมในชีวิตพระเจ้านะคะต่อมาก็ได้มารู้ประวัติของพระเจ้าพุทธทาสเรื่องของส่วนโมกที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นในปี245แรงบันดาลใจแรงจูงใจที่ท่านต้องการที่จะปฏิรูปพุทธศาสนาท่านเห็นว่าพุทธศาสนาในกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาและท่านอยากจะ นำพาพุทธศาสนาเนี่ยกลับคืนสู่พุทธจน์นะกลับคืนสู่รากฐานแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยสร้างสวนมกขึ้นมาตอนนั้นท่าอยยุแค่ยี่บหกมังยี่สิบหกนะ 26, นะซึ่งคนหนุบเนี่ยนะแต่คิดถึงเรื่องของการที่จะปฏิรูปพุทธศาสนานะทั้งที่ตัวเองยังไม่มีอะไรเลยเนยอันนี้มันสะท้อนดงงตินะของคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะ ส4 5่าเนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงกับปกครองแต่ว่าในทางพุทธศาสนาก็อาจจะถือได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปพุทธศาสนาโดยการเริ่มต้นของพระหนุ่มอายุแค่ 6-26 ซึ่งบหนะซึ่งเบญเกอตมาเนี่ยเมื่อบวชก็บวชอายุ26นะแต่รู้สึกว่าไฟนะหรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ยก็ได้จากท่าจาพุทธทาสนะที่จริงก่อนนั้ น, น, นแล้วนะว่า ว่าท่านเป็นคนหนุ่มที่มีอุดมคติแรงกล้ามากเพราะนั้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไม่ใช่จากคำสอนของท่านแต่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากประวัติของท่านนะอุดมคติของท่านและการที่ท่านได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆที่สวนโมกนะซึ่งแหวกแนวมากนะโดยไม่ต้องพูดถึงว่าการที่ท่านทำอะไรที่สวนโมกเองเนี่ยนะมันก็มีสิ่งที่บินดูดใจ กเหตุผลณนะนะเวลานั้นที่ท่านตัดสินใจจากกรุงเทพเดินทางากลับไปสร้างสวนโภพขึ้นเนี่ย ม, ม, ม, มันเกิด อ, อะไรขึ้นกับชีวิตท่านตอนนั้นนะคะคือตอนที่ท่านอยู่บ้านนอกเนี่ยคืออยู่ภุมิเรียงท่านก็วาดวาดหวังว่าพุทธศาสนาที่ที่ที่กรุงเทพนี่นะจะมีความเจริญรุ่งเรือ ง, งนะแล้วก็ดำเนินถูกต้องตามพุทธพจน์ท่านถึงเชื่อว่า พระรหัรที่กรุงเทพเนี่ยแต่นวนเลยแต่พอไปถึงนี่ก็พบว่ามีการประพฤติที่ปิดเพี้ยนเยอะนะไม่ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้านะเน้นหนักเรื่องพิธีกรรมอิทธิพลของวิัตถุนิยมสมัยนั้นเจ็ดสิบปดสิปีเนี่ยนะที่จริงก็ไม่วัตถุนิยมมากนะแต่ว่าท่านเห็นแล้วว่ามันมันไม่ใช่ แล้วก็ยิ่งไปไปเรียนหนังสือที่นั่นเนี่ยท่านก็พบว่าการสอนอาทางด้านปริยัตเนี่ยก็ไม่ได้อาศัยพระไตรปิฎกเป็นหลักอาศัยคำพีชันรองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าอันนี้ยังไม่ใช่การศึกษาที่แท้ใช่ไหมคำพีชันรองที่ว่านี่คืออัตถกถานะซึ่งเป็นเป็นคำพีสำหรับ ก, การศึกษาปริยัตนะ ตั้งแต่ชั้นประโยคหนึ่งถึงประโยคเก้าท่านก็คิดว่าเนี่ยการศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกและท่านก็เลยกลับไปสวนโมกนะด้วยก็ถประสงค์ที่จะเอาการซาปริยัติเนี่ยเรยติธรรมเนี่ยให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกมากขึ้นและขณะเดียวกันก็เชื่อมปริยัติกับปฏิบัติ ท่านก็เห็นว่าพระในกุงเทพเยปฏิบัติก็อ่อนปริยัติก็ยังไม่ถูกทางแล้วท่านคิดว่าความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นที่ตัวท่านเองคือแทนที่จะบอกให้คนโน้นคนนี้เปลี่ยนแปลงท่านบอกนั่นเราต้องทำเราเองอะไรที่ถูกเราก็เริ่มต้นทำจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อุดมคติ นะแล้วก็กลับไปที่บ้านเกิดซึ่งจะหาพระไม่ว่าสมัยโน้นเนี่ยหรือสมัยนี้เนี่ยที่มีอุปงกติแรงกล้าขนาดเนี้ยยากนะแล้วก็ท่านไปท่านก็พยายามที่จะหากำลังสนับสนุนซึ่งโชคดีก็ได้โยมแมนะ่เป็นกำลังสองคันแล้วก็ญาติพี่น้อง ตอนนั้นมเรียงเนี่ยนะก็ยังเป็นเป็นเมืองที่สำคัญอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยาการสนับสนุนจากญาติโยมรวมทั้งจากพระด้วยนะก็มีความสำคัญการเริ่มต้นจากศูนย์นะคนที่คิดจะปฏิรูปศาสนาโดยเริ่มจากหนึ่งแล้วไม่รู้จะมีสองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต่มาว่าต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมาก นะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกซึ่งก็เกิดจากการที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้า ม, มาอย่างมากแล้วท่านก็เลยมั่นใจตรงเนี้ยทางเนี่ยถูกแน่นอนการศึกษาโดยมีพระไตรปิฎกนะเป็นแกนกลางแล้วก็เชื่อมกันระหว่างปริยัติและปฏิบัติคือตอนนั้นเนี่ยท่านท่านมีความรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยพระที่กรุงเทพเนี่ย คือย่อหย่อนททนคำวินยยัยถูกไหมใช่ใช่แล้วท่านก็เลยคิดว่าพอมาอยู่สุราษาร์มาสร้างสวนโฮมเนี่ยความมุ่งมั่นของท่านจริงๆแล้วมันคืออะไรคะให้การศึกษาและการปฏิบัติเนี่ยสอดคล้องกับคำสอนทระเจ้านะดยภายใต้สิ่งแวดล้อมนะที่ใกล้เคียงกับสมัยพุทธกาลก็คือเป็นป่า ใช่ไหมรผู้เจ้าพระองค์สอนธรรมะเนี่ยท่ามกลางสภาพร้อนที่เป็นป่าที่จริงพระองค์ตัดสรุ้ก็ในท่ามกลางธรรมชาติประมเทศนาหรือการแสดงแสดงธรรมครั้งแรกก็ที่ป่าอิสิ ป, ปตนนั้นก็ทยวันใช่ไหมวัดแถงแรกก็เวลุวันก็ป่าภัยน ะ, ะนเพราะฉะนั้นท่านต้องการสร้างกลับไปสู่ ความฟังก็คือกลับไปสู่พุทธศาสนาแบบสมัยพุทธกาลนะเพราะท่านเชื่อเนี่ยคือตัวแท้ศึกษาจากพุทธพจน์นะและปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าได้ทดลองทําด้วยพระองค์เองนะก็เรียกว่าเป็นการกลับมาสู่รากเหง้านะของพุทธศาสนาเพราะท่านเชื่อว่าเนี่ยถ้ามาทําวิธีเนี่ยก็จะทให้พุทธศาสนาเนี่ย ตรงไปถูกทางแม้แต่ชื่อของท่านก็เปลี่ยนเป็นพุทธทาสนะก็แสดงเห็นว่าเนี่ยท่านถือเอาคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นหลักเลยนะถึงยอมนตอนเป็นท่าข อ, ของพระพุทธเจ้าไม่นะสนตัวของพอาจารย์แล้วค่ะท่านพุทธทาสให้ให้แรงบันดาลใจอะไรพระอาจารยบ้างคะก็อย่างที่ว่านะแรงบันดาลใจของคนที่มีอุตุนะิสิที่ต้องการที่จะปฏิรูปพุทธศาสนา ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะให้พระพธศาสนาเนี่ยนะกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องนะซึ่งนี่มันเป็นเรื่องมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแต่ท่านมีอุตตุมติและมีแรงบรรนันใจมันให้แรงบรรนันใจว่าคนเราเนี่ยไม่เพียงคนเดียวเราก็สามารถจะคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าตัวเราได้ นะไม่ว่ามันจะยากเคียงใดเราก็ต้องเพียรพยายามอันนี้ความอันที่หนึ่งนะอนนสองคือการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์พระเจ้าพุทธานเนี่ยนะเมื่ออัตมาได้อ่านงานของพระเจ้าพุทธทานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นท่านแรกๆเลยนะที่สอนลงไปตรงถึงเรื่องของการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เรื่องของนิพพานแต่ก่อนไม่คยได้ยินพระเทพพระสอนเรื่องนิพพานเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็สอนเรื่องการทําดีแต่พสอนจ้าพุทธานเนี่ไม่ว่างานชิ้นไหนเนี่ยก็จะมุ่งไปที่นิพพานและนิพพานที่เกิดจริงแกการที่ปล่อยวางปล่อยวางเพราะเข้าใจความจริงของสสา ร, รสิ่งว่ามันมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือมันก็ทาให้เกิดอุดมคติในชีวิตขึ้นมาว่าเราควรจะ มีจุดมุ่งหมายในชีวิตสูงสุดก็คือพันิชพานความอยากเด่นอยากดังอยากรวยนะอันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องรองไปนะไม่สําคัญเท่ากับนิพพานแล้วในแง่นี้นะครับพระท่านท่านให้แรงบรรนันดาลใจท่านในแง่ของส่วนตัวคือชีวิตอุดมติคือนิพพานแรงบันดาลใจในเชิงการทํางานเพื่อเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อศาสนา ก็คือเพื่อปฏิรูปพุทธศาสนาให้ให้กลับมาถูกต้องตามพุทธพจน์มันเป็นแรงบันดาลใจทั้ง้ในระดับประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านแล้วพระอาจารย์มีมีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าไม่ใช่ทา้งโลกละแต่จะเป็ น, นทางธรรมอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไรอ่คะคือทั้งโลกก็มีนะแต่ว่าไม่ว่าจะมีจุ ม, มาทั้งทังโลกกค็คือว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความบริสุทริติธรรมแต่ขณะเดียว ก, กันก็ไม่ทิ้งนะจุดมุ่งหมาย ที่เป็นอุปนติส่วนตัวก็คือนิพพานนะอัตมาก็ไม่เคยไม่เคยมองแยกนะสองสิ่งเนี้ยมองว่าเป็นเกื้อกูลกันงานทางสังคมกับงานปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมองไปด้วยกันแต่ว่าถามว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนะการมุ่งสู่ความพ้นทุก เคยเคยพูดไว้เรื่องโลกุตละใช่ไหมคะกับคือทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันสามารถจะเดินไปด้วยกันได้ตอนนี้พระอาจารย์อธิบายให้ฟังได้ไหมคะคุณทีถ้าไม่เข้าใจคือเริ่มต้นคือว่าโลกกับธรรมก่อนโลกกับธรรมไม่ได้แยกกันคําสอนที่เด่นชัดคือคําสอนที่ว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมคุณทํางานอยู่ที่บ้าน นะทําอาชีพการงานทํามาหากินเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมได้ถ้าทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือว่าทํำยังมีสติหรือดีกว่านะั้นคือทํำด้วยจิตว่างนะคือคนไปคิดว่าปฏิบัติธรรมต้องหลีกตัวมาอยู่ในวัดอยู่ป่าอาจารย์ผูท่าบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านอยู่ในสังคมก็ทําได้นะท่านชูทง ครับเป็นคําอยาว่าทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะไม่ใช่ว่าจิตไม่ใช่ว่าจะต้องมาเก็บปฏิบัติธรรมไม่ทํางานนักปฏิบัติธรรมหลายคนคิดว่าการทํางานเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรร ม, รารรมอาจารย์พุทธบอกไม่ใช่นะทำงานคือการปฏิบัติธรรมคุณทําด้วยการฝึกสติทําด้วยการมีสตินะทำด้วยการวางใจปล่อยวางไม่ยึดมั่นว่างานนั้นเป็นของกูเป็นตัวกูนะ ไม่ยึดมันในผลส่วเสร็จของงานว่าเป็นตัวกูของกูนะอันเนี้เป็นตัวอย่างว่าสามารถจะประยุกเอาธรร ม, มะเนี่ยเข้ากับชีวิตทางโลกได้ธรร ม, มะกับการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอาจารุ์วุาเนี่ยพูดเรื่องการเมืองมากแต่ท่านพูดเนี่ยในความหมายที่โยงธรร ม, มะไปสู่การเมืองคนมักจะมองว่าการเมืองเป็นสิ่งที่สกปรกนะ เป็นสิ่งทีเ่เป็นเรื่องการแก่งแย่งนะเป็นเรื่องคนไม่มีศีธลธรรมแต่พระพุท ธ, ธท่านเน้นมากเลยว่าธรรมะกับการเมืองต้องไปด้วยกันอันนี้คือการเชื่อมโยงโลกกับธรรมเข้าสู่สิ่งเดียวกันซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะแยกโลกกับธรรมออกจากกันนะการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกพระพุทธเจ้าบันะา ก, ธธาการเมืองนีต้องมีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นพื้นฐาน คุณจะทํางานคุณก็ปฏิบัติธรรมได้และเพราเห็นนี้เนี่ยโลกโลกยธรรมกับโลกุตรธรรมก็จะไปด้วยกันนะคุณทํางานทางโลกแต่ว่าคุณก็ทําจิตให้เข้าถึงภาวะโลกุตระเช่นทํางานทุกเช่นด้วยจิตว่างจิตว่านี่ก็คือโลกุตตรธรรมนะหรือถ้าผู้อย่าง อีกภาษาหนคือว่าทํากิจและทําจิตไปพร้อมๆกันทํากิจคือ ก, การทําหน้าที่ทํากิจเป็นเรื่องทางโลกส่วนทําจิตเนี่ยเป็นเรื่องทางธรรมและถ้าเราเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งมันก็จะเข้าถึงโลกุตตรัธรรมก็คือทําโดยที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูใช่ไหมไม่ใช่ว่าทํางานจะต้องมีความยึดมั่นเป็นตัวกูของกูเยอะอันนี้อาจารย์เพื่อชาติเนี่ยขัดแย้งกับ บอกราชวงศ์คลึกปาโมดใช่ไหมบอกราชวงศ์คลึกปาโมดบอกว่าเนี่ยทํางานเนี่ยนะมันก็ต้องมีอาตาัตราไม่มีตัวตนนะจะมาจิตว่างได้อย่างไรแต่เจ้าพุทธบอกทำได้และทําแล้วเนี่ยมันก็จะงานก็จะดีด้วยแต่ถ้าพูดอย่างสําเนาของท่านเจะาคุณพระองคุณาภพคือว่ า, วางานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขถ้าทําด้วยจิตว่างใช่ไหมทำโดยทำโดยที่จิตเนี่ย อ, อยู่กับงาน ไม่มีเรื่องตัวตนเข้ามาข้องเกี่ยวนะซึ่ง น, นี้ก็สอดคล้องกับปราชญาจีนเนี่ยอย่างจางเจือก็บอกนะพูดถึงพูดถึงนักยิงธนูคนหนึ่งเก่งมากเลยเนี่ยนักยิงธนูคนนี้แกบอกนะเวลาแกจะยิงธนูนะถ้าแกนึกถึงรางวัลที่จะได้รับเนี่ยเป็นโลทองแดงเนี่ยตาก็จะพร่าเรือนถ้านึกถึงทองเป็นรางวัลตาก็จะบอดมองไม่เห็นอะไรเลย นะเพราะนั้นเนี่ยจะต้องลืมลืมรางวัล น, นะลืมความสำเร็จจิตนี่แน่แน่นะอยู่กับลูกธนูแล้วมันก็จะยิงเข้าเองใช่ไหมอันนี้ก็คือการยิงธนูด้วยจิตว่างนะด้วยใจที่เป็นหนึ่งอันนี้เป็นจางจึ้นีปราดปราดด้านลทัทธิเตา๋านะแต่สอดคล้องกับนะคำสอนของทาพระพุทธทาสพุทธศาสนาเรื่องของ การทำงานทุกชิ้นด้วยจิตว่างหรือว่าการทํางานโดยไม่ยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูอาจารย์เพื่อนท่านพูดต่อไปว่าว่าในวัตตาสงสารในมีนิพพานนะวัตตาสงสารนี่เป็นเรื่องทางโลกพิพานเป็นลกุตรธรรมนิพพานไม่ต้องไปหาที่ไหนนิพพานต้องไปหาท่ามกลางวัตตาสงสารหรือถ้าพูดอีกอย่างนึงคือว่าจะบรรลุธรรมได้ก็ต้องเจอทุกนะทุกมันจะสอนธรรม นะยิ่งเจอทุกข์เท่าไหร่เนี่ยนะถ้าเกี่ยวข้องกับทุกข์เป็นเนี่ยก็จะเห็นธรรมแล้วเห็นธรรมจนเกิดปัญญาเมื่อไหร่ก็จะหลุดพ้นความทุกข์สามารถทําให้พ้นทุกข์ได้ในความทุกข์มีความไม่ทุกข์อยู่อาจารย์หลวงพ่อคมเขียนมาพูดเอาไว้ในว่าต่าสงสารมีนิพพานนะโล ก, กิยธรรมกับโล ก, กุตตธรรมไม่ได้แยกกันเลยไม่อยู่ด้วยกันใช่ไเพราะฉะนั้นเนี่ยอริษัทข้อแรกเนี่ย รู้จักถึงผู้เรืองทุกข์เพราะถ้าเข้าใจทุกข์มันจะนำพาไปสู่สมุทัยและนิโรธนะถ้าไม่รู้จักทุกข์นะก็เข้าถึงนิโรธไม่ได้นิโรธคือความพ้นทุกข์นะไะ น, นั้นเนี่ยเที่ยวจำพุทธาวันนี้ยในวัตตะสงสารมีนิพพานจุดที่ล้อมจุดที่เยี่ยนที่สุดคือจุดที่อยู่ท่ามกลางเตาล้อมเหลวนะแต่ว่าถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราไม่ะพ้นทุกข์ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่า พุทธเจา้จาพุทธเจ้าก็บอกเลย ว, ว่าทุกข์เป็นสิ่งต้องรู้เมื่อเรารู้จักทุกข์ดีเราจะเห็นสมุทยัยว่าทุกข์มาจากไหนสมุทัยก็คืออะไรก็คือตัณหาคืออวิชชาเมื่อทุกข์เกิดจากตัณหาอวิชชาทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่อยากทุกข์ก็คือปล่อยวางก็คือดับอวิชชาและตัณหาจะรู้จกักจะรู้ว่า ตันหาหรืออวิชาเนี่ยเป็นร่างเงาก็ต้องรู้จักทุก่อน